นาธรรมะหรือว่าเป็นการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศาญหาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพุทธาสนา<ม>โดยการราบเรียนถามหลวเพือเทียนพิจิตโแกแห่งสำนักวัดสนามนายโดยวังโขงจังหวันดนนทบุรีณวันที่12พฤษภาคม2522 เรื่องปัญหาต่างๆนี้ก็เป็นปัญหาส่วนมากต้องคนเราส่วนมากก็สงสัยกันหรือว่ายังไม่เข้าใจกันให้ถูกต้องกตัวกับเรื่องการทําบุญให้ทานบ้างการรักษาศีลบ้างสุนทรภพิบานทําสมาธิภาวนาหรือปราานินากรรมฐานยิ่งอยากจะกราบเรียนหลงพ่เ ป, พพเป็นพ่อพ่อหรือว่าเป็นขั้นตอนให้หลวงพอได้อธิบายคำหมายตามความ คิดถี่หรว่าการทําเข้าไปถูกตั้งจะไปใช้ในชีวิตประจํำวันนั่ปัญหาแรกก็เกี่ยวกับเรือ่องการทําบุญให้ทานนะครับหลวงพ่อการทําบุญให้ทานในเรืพุทธศาสนาที่ถูกตั้งนั้นจะทํากันย่างไรเรื่องนี้ก็ต้องพยายามทำความเข้าใจในการศึกษาครับต้องศึกษาให้รู้จักว่าศาสนากับพุทธศาสนานั้นต่างกันอย่างไร สมรมะศาสนาหมายถึงอะไรพุทธศาสนาหมายถึงอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับพ๋อครับหมายถึงว่าธรารมะพุทธศาสนากับธรรมศาสนาเนี่มันต่างกันนะครับต่างกันครับไม่ไม่เหมือนกันครัการเวิมเข้าใจของท่านคพมเห็นอย่างไรที่ทาำหมอครับคือคนส่วนมากพบเจอว่าพุทศาสนาโดยเฉพาะในเมืองไทยของเราเนี่ยอนึกว่าพุทธศาสนานี่ก็้งจะเหมือนเหมือนกันหมดครับถ้าคุณให้ทานอะไรก็คงจะเหมือนกันหมด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 ฟังคำสองคานี้แล้วมันก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ให้ะวัติศาสนานั้นทัวทั่วไปจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝลังอังกฤษคนอเมริกาคนเขมรยวนลาตอตามหรือจะเป็นศาสนาพราหมศาสนาฮินดูศาสนาคริสศาสนาอิสลามศาสนาไหนก็ตามเขามีการให้ทานทั้งนั้นครับเพราะคนต้องการบุญครับแต่ว่าพุ ท, ทธศาสานาไม่อย่างนั้นพุทธะแปลว่าศึกษา ให้ดูแจ้งเห็นจริงโดยไม่ต้องแวะติดอะไรทั้งหมดอย่างนี้ครับเข้าใจไหมครับครับตองการทําบุญพระพุทธศาสนาเนี่ยจะทำอย่างไรจึงจะถูกต้องว่าทำบุญไม่เสียในทางพระศาสนานั่นคือการทําบุญมีสองสเตวครับคือขั้นแรกคนเรามันไม่เข้าใจก็ต้อง ใ, ให้เขาพยายามพูดให้เขาเข้าใจเหมือนกับต้นไม้ครับ ต้นไม้มันตามปกติต้องมีเปลือกครับแล้วมีกิ่งของมันแล้วมีแกนของมันแล้วก็มีแกนแท้ของไม้พุทธศาสนานั้นต้องรู้จักระบุคคลผู้ที่ยังปัญญาต่อ น, นะครับต้องพยานเมตนำเขาให้ทําบุญให้ทานลักษาถึงอย่างนี้นะ่ะคือให้เขาเสียสละเมื่อเขาเสียสละมากๆเขาจะได้มีความสุขคือเขาจะไม่ได้สงนสวนตัวว่าเป็นของคู่ นี่เป็นของเขาแล้วนั่นเขาก็พยายามทําให้เขาสบายใจควมสบายใจนั้นเรียกว่าบุญครับแต่ยังไม่ได้เป็นปี่ินะครับเนี่ยต้องควรความสบายเท่านั้นนะครับส่วนพุทธศาสนาต้องมาจัดการภายในจิตใจเป็นยางไงครับอ๋อการทําบุญในพุทธศาสนามันมันมีหลายขั้นตอนใช่ไหมครับเพราะหลายขั้นตอนเหมือนกับผู้สมบั้ิอุปมาให้ท่านฟังเราเหมือนกับ ต้นไม้มันมีเปลือกแล้วมีกระทือแล้วก็มีกวนแล้วก็มีกวนสตาพาะเจ้า่างของไม้มันต้องมีนะครับเปลือกาะทุกวันนี้ผมก็ไปหลายจังหวัดเหมือนกันดูว่าคนไท ย, ยนี้ครับเขาก็ส่วนมากนะครับไม่สักคนนะก็ทาบุญเพียงรู้จะเเรียงว่าทำบุญให้ทานสองประเด็นเท่านั้นแต่ต ส, ส่วนธรรมกรรมฐานหรือรูปปัตนานั้น ดูเห็นน้อยแต่บางที่ทำแล้วก็ยังไม่เข้าใจคนเป็นจำนวนอยไม่เคน้อยเหมือนกันะครับตรงนี้แต่แตาอาจะให้ผลวงพ่อสัตวามหรือว่าสรุปให้สั้นๆเราทำว่าบุญนี่ครับ<อ>ที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยครับทำแล้วมันจะได้บุญนี่มันเป็นงังไรครับไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาอื่นๆนะแบบโอ้ยว่บุญนะ เ, เนียครับไม่ได้หมายถึ ง, งนะบุญหมายถึงเรารูจา้จัก ทำแล้วสบายใจหรือบุญต่ความอิ่มใจความพอใจบุญมนมษสองประเภทให้เข้าใจอย่างนี้ค<ม>ือบุญได้เสียสละทรัพย์สมบัติของตัวเพื่อเป็นการจะสร้อยเชียรการคนอื่นนั้นก็เป็นบุญในทางาพระุทธศาสนาก็มีแต่ว่าเราเอาของเราให้คนอื่นไม่ต้องการเรียกร้องคืนมาอันนะั้เป็นบุญในทางาพษาษุทธศาสนาแต่บุญประเทศนี่มันเป็นวัตถนะครับ ไม่ใช่ทางจิตใจพระพุทธเจ้าสอนบุญนี่หมายถึงจิตใจนะครับหมายถึงจิตใจคือทำให้ใจิงงต<ะ>ใจสะอาดสว่างสงบคือจิตใจสะอาดสว่างสงบนั้นเป็นตัวบุญในทางพระพุทธศาสน า, าแต่เราทานน้ำผึ้ง น, นั้นจะมาทําทางจิตใจไม่ได้ ต, ต้องทําจิตใจโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสน า, านี้นะครับเป็นอะไรเข้าใจไหมครับ<แ> พอกว่าบุญนี้ก็หมายถึงภาวะของจิตใจโดยตรงเลยทันทีความรู้สึกงานมาทำเรื่องของจิตใจเรื่องของวัตถุภายนอกก็คนบางคนชอบกันเพื่อไปตามเรื่องคนนั้นถึงแบบพอจะเข้าใจนะครับที่นี้ก็บทบาทยังมีข้อเกี่ยวกับเรื่องนีลครับเพราะว่าคำสอนในทางพุทธศาสนาหรือทางศาสนาเนี่ยมันก็มีเรื่องทบุญให้ทานก็วก็รักษาศีล เป็นประหลจะเดินภาวนาวิธรรมปัฒนาธรรมนะครับคำว่าศีลเนี่ยจะต้องไปรับจักพระบรรพทรู้ว่ามีงานมีการทาบุญอะไรต่างๆจริงจะรับศีลไม่จริงจะมีศีลรือไงครับมันนั่เป็นสังคมครับเป็นสมุดเท่านั้นเออข้าวุฒิสมุดบัญญัติครับสมุดบัญญัติขึ้นมาเป็นเพียงสังคมเท่านั้นจะเป็นศีลจริงๆไม่ได้ในสาหรับตำราเขาก็บอกเราตรงเหมือนกันว่าศีล เป็นขั้นคำจัดกิเลส ย, ยาายาสมาชื่อเป็นขั้นคำจัดกิรลสยาต่างปัญญาคำจัดกิเลสยามละเอียดในทางพุทธศาสนาสอนอย่างนีน้แต่อันนี้เป็นคำพูดนะครับคุปานาอัินาการเมโมาสิาสองร้ยี่ิบเจ็ดนะครับเป็นสมมติทนั้นเองถ้าหาพูดทางสินในทางพุทธศาสนาสนถึงส่วนแท้ก็ต้องทำถ้าเป็นปกติตายปกติวาเจ้า ปกติใจอันนี้เป็นตัวศิลอันนั้นเป็นสังคมอันนี้ไม่มีใครทําให้เราได้ศิลป์เนี่ยครับไม่ถึงปกติายปกติวาจาปกติใจอันนี้เป็นศิลป์ศิลป์เรีกว่าปกตินะครับเรียกว่าไม่ใช่เหตุนั้นก็ไม่ต้องไปรับจากใครก็ได้ก็ได้ครับเราพยายามทําความปกติทางตายทางวาจาจนตลอดถึงทางด้านจิตใจอ่ากเรียกว่าไม่จำเป็นจะต้องที่เรียกวันพระวันศีลป์จนจะไปขอศิลจากพระ เออวันนั้นนั้นโอเรื่องนี้เขาไม่รู้จักสมุดเหมือนเอองเขาไม่รู้จักสมุดเาว่าวันศุล์วันพะเขาไม่ได้จักคือผมก็เคยไปหลายจังหวัดเหมือนกันหกวันเจดวันถึงเป็นวันพะท่านหนึ่งอัน้ขถือตามปฏินิรุษสมุดอันนี้เขามีมาก่อนนะครับไม่ต้องสงสัยเรื่องนี้ถ้าหากว่าซืหนึ่งน้คุณต้องเข้าใจอย่างสาม้อยหสิห้าวันแม้เป็นวันพะกี่วันกุนก็ เป็นวันเป็นวันพัั้งหนงเดือนหนึ่งก็มีอยู่สีครั้งอันอื่นเนี่ยไม่ถึอเดือนองสีก็สี่สิบแดวันวันพักเป็นสื่สิบแปดวันวันพักนอกจากนั้นไม่เป็นวันพักนะครับถ้าเป็นวันพักเป็นวันของขอย้นอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีต้เข้าใจ่ันหนึ่งสี่หนึ่งสมสิหวันอุปของสสี่สิบแปดล้วก็เป็นวันพักเพียง4ี่ปดวัน แต่ไม่ใช่เป็นวันท้ า, าสามเราวันก็าเป็นวันถีเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าเราไปท้าขาดคุณถ้าเรามากดเป็นม น, นุษย์เนี่มาเกิดเป็นคนเนีม่มันนุ่มเหมือ น, น, นกับเราไปฆ่าขายแต่ถ้าคนฆ่าขายเป็นเขาตอนน้องทาไรคนได้ ท, ท า, า, นนขาขายไม่เป็นก็ขาดคุนถ้าเราไปเข้าใจอย่างนั้นเ่าผาดคุณนะเา็นเพราะว่าสามร้อยหสิบห้าวันขาดเราเป็นพระหรือว่ารักษาถี่เพีงสีแปดวันก็ยังไม่สมดุลอีสามร้อย สามร้อยยี่สิบกว่าวันก็สามรยยีสิวาวันก็เป็นสีเป็นสีเป็นยักเป็นมาเป็นเตเป็นเป็นทุกอย่างแล้วค่ะม่เป็นพระเลาะพระไม่มีในตัวเลยอันนั้นเป็นสมุทกนั่นเองการรักษาสีนีเราจะต้องรักษาทุกวันเลยนะต้องรักษาตลอดไปก็ต้องทาจิตใจของเราเป็นพระทุกวิมาทีนะครับทุกวิมาทแล้วสเิ่งมันจะพาไปได้ครับทุกวิมาทีทุกมาทีทุกเส้นเหนือทุกลมหายใจเนี่ย ไม่ได้ยังไงเลยพ่เพราะพอบางคนได้รับมาแล้วรับศีลมาแล้วรับศีผ่าแล้วไปต่อกับพระได้นะครับอั น, นั้นจป็เรื่องของผมเป็นเรื่องสมมุติแค่เขาไม่เข้าใจสมมุตินั่นเองจะให้ใขเขาถือไปอย่างนั้นเพราะว่าคนมันปัญญาไม่เหมือนกันคนที่ปัญญาอย่างน้อยอย่างอ่อนก็ให้ขเขาถืออย่างนั้นไปพรอ่ถ้าหากว่าคนที่มีปัญญาอย่างเข้มแข็งแล้วเขาจะไม่ถืออย่างนั้นเขาจะถือเอาตัวสุขสิ ใจเจตปฏิวาจาเจตปฏิใจเป็นศ yes, ิลปนโดยเฉพาะปรามัตถธรรมอย่างเงี้เป็นจริงๆรเป็นศจริงง่นลปคสัจหืเ็กลุ่มบอกว่าด้าทีนี้ไม่บ้าก็เป็นศิยู่แล้วไม่จาเป็นต้องว่าบานะทว่าบาว่าบอว่าเะยรถ้าอย่างนั้นก็เป็นที่เขาพูดไม่ได้อย่างที่ภาษาอื่นๆเขาไม่พูดภาษามาเขาจะพูดภาษาอะไรก็ได้นะครับแต่เมื่อคนไม่เข้าใจเอมันเป็นอย่างว่า พุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสาเหตุใครๆจะถืก็ได้แต่เป็นคนไทยก็ได้เป็นคนจีนก็ได้เป็นคนอเมริกาคนขมิญคนดวนคนลาวคนอังกฤษใครๆก็ได้ปฏิบัติทำตัวเป็นเจตปฏิอนั้นเลยเนี่ยพุทธศาสนาจริงๆสองสิ่งนี้ว่าท่อทำลงไปจริงๆ เนว่าเราจะเรารู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีเราเพาะเห็นจริงๆริาบมันจริงๆริทั้งตายวาตาใจก็เหมือนไม่ถึงมั น, ม, ม, น, นมันเรื่อง น, นั้นมันชั่วมันบวดร้อนเราพยายามงดกับทำลงไปจริงจอย่างนี้นก็เรียกว่าเป็นผู้มีสี่งเป็น <c oughs> เป็นช <c oughs> าติใดตาตาเรก็ตามก็เรียกว่าคนนั้นเข้าถึงพุทธศาสนาหรือว่าเข้าถึงสิ่งก็ถ้าเป็งหมายถึงตัวสติตัวปัญญารู้จักจว่าทำสิ่งนี้เดือดร้อนทำสิ่งนี้ไม่เดือดร้อนเพราะนั่นคือท่าขับก็ ไม่ใช่ว่าจะเปนตัวรูป ก, กายของคนน ะ, ะตัวสติปัญญาเข้าไปยังรู้โมความคิดที่มันกาลังปรากฏขึ้นมาโอ้อย่างนี้ทำอย่างนี้มันจะเดือดร้อนเก่สั ง, สงคมทำอย่างนี้ไม่เดือดร้อนแก่สังคมงั้นน่ะด้วยปกติจึงจะรู้ถ้าไม่ปกติไม่รู้มันก็ทำไปตามอารมณนะ์ถ้าอย่างนั้นกคนที่บวชเข้ามานะแม้ตะเป็นพระเป็นเนรหรือจะแสดงวา่าบางทีก็ยังไม่รู้สึกเล เราไม่รู้ไ่ที่กปรกานมันก็ทำมาแล้วที่ไมดีในนก็เลยนั้นคอสังคมให้ให้สังคมไม่ใสังคมศูนย์คืนสังคมการเป็นทุตุสมาเนอมันเป็นสังคมแค่นั้นเองครับนั้นสมมติสมมติสังคมเป็นประเทศนีเป็นประเนี้เรื่องนี้เขามีก่อนแล้วครับอ๋อแสดงวานี่้ามีอะไรกันบวชกันอะไรก็มีใช่อยู่แล้วในโลกนี้ครับในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้า ไปอะไรไปดูสวนดอกไม้หรืออะไรในภาคมันเป็นภาที่ยากนะก็ถึงเทตกสมณะสมณะเทตกก็เหมือนอย่างที่พวกเรนี้เองแต่ตอนนั้นยังไม่มีพระศาสนาอย่างไม่มีครับเป็นพระเป็นศาสนานีอยู่แล้วอย่างไม่มีครับเขาจะมีการทำบุญให้ทานรักษาสิงต่างๆมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนิทานก็มีอยู่แล้วนะเรื่องมรดกนิทานอัสูงสก็มีอยู่แล้วคือเขาพูกั ครับยังไม่มีใครร้ยัไม่มีใครรู้มำผู้แต่ว่าคนอาจจะทาได้ทุกคนแต่ว่ายังไม่มีคนผู้ที่สำคัญคือไม่ใช่ขาดเนืออกชะดูกของเรานะครับมันถูกท่วมมันถูกติดติดอยู่ไม่มีใครมาเปิดไม่มีใครมาหงายมันก็เลยติดติดอยู่อย่างนั้นค่ะอันนี้เป็นเหมือนอย่างที่ ดแล้ววัดเป็นสั้งทางป็นเมสวรค์คจึงมืงสวรรค์เมในลกก็ได้นะครับแต่เป็นข้าราการมงส ว, งสาาวาสงรรค์เป็นที่สนุกอดโยทุกไม่อย่างน้นนี้พ่านพิมพ์ข่าวทไเกี่ยวกับเรื่องศีลน่ก็หมายถึว่าเขาต้องพยายามทาตาว่าใจใยังไงนี่กฎปฏิบัติจริงบวชหรือไม่วก็ตามผยู่หญิงรืออ่ชายก็ตามอยู่บ้านหรืออยู่ไรอยู่นาอยู่ที่ไหนก็ตามก็เรียกว่าเป็นผู้มีศีลโดที่เราว่าไม่ต้องรับไม่ต้องว่าก็ได้ อันว่านี่ยเว่าทำตามประเพณีผัดสังคมสังคมชีวิตผัมเพื่อเขาไม่รู้เขาจะรู้ขึ้นมาตอนนี้เพื่อเนี่ยวัดตุกหมายสลขุกหมายเลขพรอันพระนั้นมันไม่ได้อยู่ที่นั่นพระหมายถึงบุคคลผู้ที่ระลกการยกย้องแต่คือทำทางจิตทางใจครับพระเลาทุกประศึกนแต่อันพระอย่างที่ื่อประผมนุท่านกำลังสนทนมากันอยู่ในคณะนี่ สมุดไม่รัดเงินไม่ืิดสิ่งนั้นบางเนื้อเองเนื้อองไม่ได้คุณก็สึกได้ผมก็สึกได้ครับไม่ตบวดได้ไม่เป็นเชิงสมุิบันดาลขึ้นไาพอสึกแล้วก็ไม่ได้เรียกพระละไม่ได้เรียกเรียกย่างอยท่านก็ยังขึ้นมาว่าเรียนสมุติอาที่นี้ก็ผมอยากจะฝาบเรียนหลวงพ่อเรื่อนขึ้นมาว่ามีการให้ทานรักษาสิลนัก็มีการภาวนาหรือว่าการทำสมา การทำสมาธิการเจริญสมาธิรมาทานที่พัสนากรมาทานอะไรทั้งนั้นเนี่ยครับการทำสมาธินี่เท่าที่เราเหนดดนเ็นทั่วไปในสมเด็นพ่อทุกแห่งครูบาอาจารย์ก็ต้องบอกว่าให้นั่งหินก่อนพอรับหินแล้ว บ, บอกว่าให้ไปทำสามาธิเป็นนั่งหลับตาเอาขาขาทับขาซ้ายตั้งตายให้ตรงเอามือขาทับมือซ้ายแล้วก็หลับตา ก็บางทีก็อาจารย์บอกว่าให้มีทาบริกรรมภาวนาเช่นอะปุถุพุทธโยตัมมาอรหังหรือว่าจิตน้อยังน้อยอะไรทำนองนี้ครับอันนี้เป็นการทาสมาธิเองอันนี้คือเขาทาตามตามพันมาครับเพราะบุกเปนั้นก็ยังไม่มีแต่ถ้าเลยทาตามตามภาวนาถ้าพูดว AH, like, yeah, ่าเป็นเมื่อว่าญาติจากพ่อเปนเตื้อไม่เปนเตื้อมันเป็นสกปรกของมันจากเนื้อแท้ได้ยังไง เพราสนั้นไม่ดได้หมายถึงการนั่นหลับ